บัณฑิตจกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปมนุษ์ท่านต่อไปนั้นคือท่านเหมมกะมนุษ์ได้กราบทูลถามถึงกลุ่มบุคคลที่เรียกว่ามุนีในโลกนี้ว่าโดยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรบุคคลจึงได้ชื่อว่า เป็นมุนีพระบุรีพักเจ้าทรงยกเอาบุคคลที่ได้ชื่อว่าบัณฑิตขึ้นมาเป็นหลักคำว่าบัณฑิตนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและการปฏิบัติของบุคคลที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นของบุคคลเหล่านั้น ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ในแต่ละรบในแต่ละชาติดังนั้นจะเห็นว่าในมงคลในสดทั้ง3ามประการนั้นผู้เจ้าทรงเริ่มต้นด้วยการไม่ให้ครบคนผ่านแมะให้ครบหากับบัณฑิตเพราะในชีวิตของคนการเกี่ยวข้องครบหาสมาคมกับบุคคลอื่นเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมาก ทั้งด้านบวกและด้านลบจึงทรงยกต้องบุคคลประเภทที่เรียกว่ากัญญานามิตรไว้ในฐานะสูงเพราะเมื่อบุคคลได้กัญยานามิตรเป็นผู้ร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์ไปจะขอให้เกิดผลดีงามในด้านต่างๆและคนที่เป็นกัญญานามิตรก็คือคนที่เป็นบัณดิตนั่นเองขั้นตอนของความเป็นบัณฑิต ทรงแสดงไว้โดยอนเนกกระปริยายเช่นในขั้นหนึ่งทรงแสดงไว้ว่าบุคคลผู้รู้ประโยชน์และกระทาประโยชน์ให้สมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นกับประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า บุคคลเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นบันณฑิตด้วยหลักเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงจุดอื่นๆที่ทรงจแนกแสดงเอาไว้และในตอนสุดท้ายก็ทรงสรุปไปเป็นอนุสติเตือนใจของผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมโดยให้มองพิจารณาถึงสังขารซึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไป ธรรมดาบุคคลไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงในจุดนั้นได้แต่ว่นนาในขณะเดียวกันบุคคลก็อาจได้รับประโยชน์ท่องกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทากว่าดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทดัง น, นั้นในปชิมโอวาทจึงทรงสรุปไว้เป็นใจความว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจรงยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดเรื่งควานี้จะพบว่าเป็นการสร่งแสดงธรรมะในแนวของทุกขสัตว์กับในแนวของมรรคสัตว์ การที่สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายจนถึงแตกดับไปเป็นธรรมดานั่นเป็นสภาวะความจริงตำหลักของทุกษะเพราะสังขารทั้งหลายนั้นจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีดังครองก็ตัดก็ย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นบุคคลทั้งหลายก็ตกอยู่ในสภาพนั้นเพราะตนเองก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็งชี้มัก เป็นเครื่องดาเนินเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าบุคคลสามารถดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นคือความพยายามที่จะทำประโยชน์ตนและประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นในสมบูรณ์ได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการฉวยเอาสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระได้ร่างกายชีวิตร่างกายนั้นเป็นของไม่มีสาระ ไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องแตกสลายทำลายไปแต่ว่าคุณธรรมความดีนั้นเป็นเรื่องที่มีสาระบุคคลสามารถอาศัยกายที่ไม่มีสาระสร้างสิ่งที่มีสาระขึ้นมาได้เป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนก็นั่งลานซึ่งไม่มีความมั่นคงแต่บุคคลจะสร้างตึกอาคารสถานที่ต่างๆก็ต้องอาศัยนั่งลาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างตึกมันมีความมั่นคงมากกว่าสําหรับเป็นที่อยู่อาศัยของตนชั้นใดจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้ามองไปในแง่ของรูปร่างกายซึ่งจะต้องแตกสลายไปแสดงถึงความไม่มั่นคงไม่ความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันบุคคลสามารถอาศัย ร่างกายซึ่งมีลักษณะดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในการหาความจริงและในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นได้เฉพาะในชั้นนี้จะกล่าวบัณดิตในส่วนที่รู้ธรรมะซึ่งลึกขึ้นไปกว่าปกติแทนที่จะทรงชี้ระดับเป็นประโยชน์ ซึ่งในเชิงของการอธิบายแล้วก็สามารถปันตกกันได้แต่ในที่นี้ทรงชี้ไปที่บัณฑิตคือท่านผู้มีปัญญาที่สามารถรู้ความจริงแห่งขันธาตุอยายตนะอินทรีย์และปฏิจจสมุ ป, ปาเป็นต้นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นลักษณะของโลก ที่บุคคลมองเห็นที่บุคคลเข้าใจเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจนั้นเกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกำหนดหมายสิ่งเหล่านั้นตามแรงผลักดันของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและที่มีอยู่ในใจิต ใ, ใ, ใ, ใจของตนเองจึงมีการกาหนดหมายโลกวัตถุ สต์สิ่งของในร่างกายของตนเองในแง่ที่รวมๆกันอยู่เกาะกลุ่มกันอยู่เมื่อกลุ่มกันอ ย, นอยู่มีความสวยงามมีความประณีตใจซึ่งมีนันทิคือความเพลิดเพลินมีราคะคือความกำหนัดมีกามะความใคร่เป็นต้นอยู่ภายในจิตใจเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นก็จะมีการกำหนดหมาย ด้วยแรงผลักดันของกิเลสดังกล่าว ค, ความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีระเริงลงในวัตถุทั้งหลายก็เกิดขึ้นความสนิทความหวงการรักษาป้องกันก็จะติดตามมาเมื่อมีใครมายื่แจ้งมาทำลายก็มีการต่อสู้ป้องกันพอสิ่งนั้นเสื่อมสลายไปแตกดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไป ใจของบุคคลก็ถูกความโศกความร่ำไรนำพันเป็นต้นครอบครบนำใจลักษณะของจิตใจก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้แล้วการกําหนดอีกแนวหนึ่งเป็นการกําหนดในแนวย่อยคือกําหนดหมายส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นๆเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเพลิดเพลินยินดีของตนเองสิ่งที่โลกกําหนดในแนวนี้ พระพุทมีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะไว้ระดับการใช้ปัญญาในชั้นนี้คือชั้นที่สูงขึ้นไปเป็นสองทางด้วยกันทางแรกก็รู้ถึงเหตุปัจจัยแห่งความเกิดการดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงในชั้นที่สองก็รู้แยกสิ่งที่เกาะกลุ่มกันอยู่ออกเป็นส่วนๆได้ ซึ่งถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจสิ่งเหล่านี้ตลอดทั้งกระบวนการความกำหนัดความเชื่อเพลินยินดีชอบใจก็จะเบาบางลงไปใจก็จะสงบจากกิเลสายโลภะลงไปได้เป็นนั้นมากเพราะนี่นที่จริงแล้วเชื้อของความคิดนั้นก็มีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของบุคคลอยู่แล้วตัวอย่างเช่น การที่คนไทยไม่นิยมสินค้าไทยซึ่งก็เป็นปัญหาด้วยรังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าคนได้รู้จริงเหล่านั้นทั้งกระบวนการนั้นจะออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้ว mm. ก็มองเห็นว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยสู่ของนอกไม่ได้ความนิยมพอใจเยินดีที่จะซื้อหาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิด แต่ในทางตรงกันข้ามในสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันในรูปรักษ์เดียวกันนั่นเองที่บุคคลไปปลูกปักใจฝังใจว่าเป็นของนอกมีค่ามีคุณภาพดีเป็นต้นแม้จะไม่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านในเมืองเรากูซาไปชอปปิ้งกันทั้งต่างประเทศ น, นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตของบุคคลว่าเชื่อในการมองสิ่งทั้งกระบวนนั้นก็มีอยู่แล้ว ก่อใหเกิดความกำนัดก็มีก่อให้เกิดความขัดเกลืองก็มีหรือพูดง่ายๆว่าก่อให้เกิดความชอบก็มีก่อให้เกิดความชังก็มีพระพุทธเจ้าก็ทรงอาศัยจุดนี้เองเพิ่มเชื้อในการเรียนรู้เข้าไปจนให้บุคคลเข้าใจความจริงในเรื่องของขันธ์ธาตุอายิยตนะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น ขึ้นแต่เราโดยสรุปแล้วก็คือการรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมไดนา ม, มารมตลอดทั้งกระบวนการของสิ่งเหล่านั้นรู้ลักษณะของสิ่งนั้นรู้ความเกิดขึ้นของสิ่งนั้นรู้ความดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นรู้ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและแตกดับไปของสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็สรุปว่ารู้ถึงสีช่วงของสิ่งนั้นนั้น แต่จะต้องเป็นรู้ตามความเป็นจริงความรู้ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงมีลักษณะอย่างไรมีมาตรฐานอย่างไรในการเป็นเครื่องกําหนดตัดสินข้อนี้ก็จะมองเห็นความจริงประการหนึ่งว่าความรู้ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามจะต้องสามารถลดความรุนแรงของกิเลสลงไปได้ แต่รู้แล้วยังหลงยั ง, ง, ยงกำนัดยังเพลิดเพลินอย่างรุนแรงอยู่เหมือนเดิมส แ, แสดงว่า น, นั้นคือความรู้ที่ไม่จริงหรือไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างที่ทรงสแสดงเอาไว้เช่นในกรณีของรูปประคันบุคคลที่รู้ก็จะมองเห็นตลอดทั้งกระบวนของสิ่งเหล่านั้นปัจจัยเกิดของรูปประคันได้แก่วิชา ตัณหาอุปาทานกรรมแล้วก็อาหารแต่ว่าตัวเหตุเกิดจริงๆนั้นคืออภิชาตันหาอุปาทานกรรมแม้จะมีการจําแนกแสดงไว้ถึงสข้อคือวิชาตันหาอุปาทานกรรมก็ตามแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วคือกิเลสกักรรมเพราะวิชา ตัณหาอุปาทานนั้นก็คือกิเลสกรรมก็คือกรรมกรรมนั้นจะเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นกลางกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกุศลกับอกุศลเป็นกุศลที่ระดับหยาบระดับกลางระดับประณีตเป็นอกุศลระดับหยาบระดับกลางระดับประณีตก็เกิดขึ้นมาจากความมากความน้อยของกิเลสเรื่องวิชาตัณหาอุปาทาน ทวิชาตัญหาอุปาทานมากการกระทําของบุคคลก็เป็นอกุศลมากเมื่อเป็นอกุศลมากผลคือความทุกข์ก็เกิดขึ้นมากเกิดในช่วงใดเกิดทั้งในชาตินี้และในชาติหนี้นแสดงเห็นว่าบัณฑิตผู้ฉลาดในประโยชน์เมื่อมองเห็นทั้งกระบวนของสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหันมา บรรเทาลดความรุนแรงของอวิชาตัญหาอุปาทานถ้าลดแล้วจะเป็นยังไงเมื่อลดลงไปแล้วอาการทางกายทางวาจาและตัวสาคัญก็คือจิตใจจะมีอวิชาตัญหาอุปาทานกรรม อ, อุปาทานเหมือนกันแต่ก็เบาบางลงไปเมื่ออวิชาตัญหาอุปาทานกรรมเบาบางเมื่ออวิชาตันหาอุปาทานเบาบาง ไอเจตนาที่เป็นเหตุให้กระทํากรรมตั้งแต่กายทั้งทางว า, า, าจาหรือแม้แต่คิดด้วยใจก็จะเป็นสุจริตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ขนาดไหนเพิ่มขึ้นได้ตามสัดส่วนของการลดลงไปแห่งอวิชชาตาัญหาอุปาทานนันนี้นั่นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นรูปประคัน ถ้าพูดในสายของปฏิจจสมุปาตทิทันว่าอาวิชาปัจจาสังขาราสังขาราปัจจายปัญาปญาหนังปิญาปญาณปัจจานามรูปัง น, นั่นเองหมายความว่าเมื่ออวิชาเป็นปัจจัยมันก็ก่อให้เกิดเป็นการกระทำที่ได้่าสังข์กระ ท, ทาที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างกลางกลางบ้างบุญบาปนั้นมากน้อยแตกต่างกันออกไปก็เป็นตัวสร้างคุณภาพของวิญญาณ คุณภาพวิญญาณที่ดีนั้นแสดงว่าเป็นความจางไปของวิชาตันหาอุปาทานทําให้กรรมเป็นสุดจริตเสริมสร้างคุณภาพวิญญาณให้ประณีตขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าอาวิชาตันหาอุปาทานอย่างหยับมากกรรมก็หยับวิญญาณก็หยับพอวิญญาณก็หยับก็ทําให้วิญญาณหนักหนักก็ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นสูงไม่ได้ก็ตกต่ําที่เราเรียกว่าตกนะรก ตกลงไปเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายโดยพื้นฐานทางใจในชาตปัจจุบันบ้างด้วยการเกิดในกําเนิดเหล่านั้นหลังจากตายไปแล้วบ้างประสาทานามารูปเป็นยังไงนามารูปก็หยาบไม่มีความประณีตพิกลพิการไม่สวยไม่งับบางครั้งก็เป็นรูปที่น่ากลัวน่าขยะขยังสยดสยองของบุคคลทั้งหลงายทั้งที่ ว่าการทำความไม่จริงแล้วรูปเขาก็เป็นอย่างนั้นเองตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นคนเขามักจะเข้าใจเรื่องผีเหลอกบางทีก็บอกว่าพบผีมีคอยาวแล้วก็ตกใจเนื่นว่าเขามาหลอกที่จริงรูปต่างเขาเป็นอย่างนั้นเองเขาก็เป็นความสวยงามในหมู่ของเขาเหมือนกันแต่พอเรามาเห็นข้าวก็กลายเป็นภาพที่น่ากลัว จรงแต่เราเข้าใจไว้ผลิตผลเหล่านั้นรูปร่างเหล่านั้นที่เราเห็นว่าเป็นอัปลักษณ์นั้นเกิดข at. well ึ้นมาจากความมากของอวิชชาตันหาอุปาทานทําให้กรรมที่ทําลงไปหยาบเป็นทุจ <frankly> ร <acord> ิตอกรรมหยาบก็สร้างวิญญาณที่หยาบวิญญาณที่หยาบก็สร้างนามรูปที่หยาบนามรูปที่หยาบอาญตนะเป็นต้นก็หยาบสัมผัสเป็นต้นคือตลอดกระบวนของปฏิจจสมบัติก็หยาบไปทั้งหมดเลย บุคคลพบสิ่งเหล่านี้ตีต่างว่าไปพบกับสิ่งเหล่านี้รามันได้อะไรถึงสองอย่างอย่างหนึ่งมองเห็นว่านี่คือผลของเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วถ้าไม่เกิดการระมัดระวังในการกระทาของตนชั้นพระอุสาหะที่จะลดอวิชชาตันหาอุปาทานก็จะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามลดแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งกระบวน คือเปลี่ยนเป็นให้คำรรที่เป็นสุจริตสูงขึ้นวิญญาณประณีตขึ้นนามรูปประณีตขึ้นที่ตั้งตรงชช้คําคว่าสักคหรือสวรรค์ที่แปลว่าอารมณ์ ม, มัเลิศถึงหมายความนารูปเสียงกลิ่นรสผุตภะเลิศเลิศดีดีเหนือกว่าที่มีอยู่ในโลกของมนุษย์นี้ก็เป็นผลที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดที่ในขณะเดยียวกันเมื่อเห็นคนที่อยู่ในสภาพเช่นนั้นก็เกิดเมตตาสงสาร รวดน้ำอุทิกุศลส่งให้เพื่อช่วยบรรเทาลดความรุนแรงให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างการทำบุญที่เราเรียกว่าทักษิณาอนุปาทานโดยประการต่างๆเมื่อมองให้ลึกลงไปก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นจากความห่วงใยความสงสารท่านผู้ที่จากไปนั่นเองนี่คือเหตุปัจจัยให้เกิดที่จริงก็ทั้งนามรูปทั้งนามแลยรูป มื่อมองในแง่ของเหตุปัจจัยแสดงว่าเอ็นามรูปเหล่านี้จะไม่ให้เกิดเสีก็ได้ถ้าไรถ้าทําลายอาวิชาตันถาอุปาทานได้ทางนี้เท่านั้นก็ต้องอาศัยการมองเห็นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์จนเกิดนายในทุกขเกิดนายในสังข์ขันเกิดนายในพบต่างๆแม้จะประนีตอย่างไรก็มองเมื่อมองเห็นความเกิดเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ด้วยไ ส่วนจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือเหตุปจัจจัยในการั้นการเรียนรู้ในจุดนี้เพียงจุดเดียวมันก็เดินไปถึงมรรคผลที่ผ่านได้โดยการปรับจิตไปเป็นขั้นเป็นตอนโดยนยะัะธิกะแล้วที่จะมองในแง่ของการดํารงอยู่ว่ารูปชีวิตร่างกายที่เกิดขึ้นมาแล้วดํารงอยู่ได้ด้วยอะไรนั้นประรงสงค์แสดงว่ามีปัจจัยอีกประการหนึ่งคืออาหาร ที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงรดนปลื้มชีวิตของบุคคลเอาไว้แตาว่าบุคคลขาดอาหารหรือว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายขาดอาหารสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้แต่ตัวร่างกายนั้นอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่ากายสังขารคือลงหายใจเข้าและลงหายใจออกเป็นตัวรดนปลื้มหล่อเลี้ยงเอาไว้ าที่ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ศาสตร์นั้นรู ป, ปรขันก็ยังดำรงอยู่แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงใช้ลมหายใจเข้าออกได้อีกหลายระดับด้วยกันแทนที่จะมองเห็นแก่ว่าแกเป็นกายสังขารคือตัวปรนปลือรางกายของเราให้ดำรงอยู่พระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้ทั้งในส่วนของสมถกรรมาฐาน คือการตั้งสติตามระลึกดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกโดยตั้งสติระลึกตามไปทั้งช่วงหายใจเข้าและหายใจออกส่วนจะหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นนั้นก็เป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนหน้าที่ที่คนจะพึงทาจึงไม่อยู่ตรงนั้นแต่อยู่ที่การตั้งสติตามระลึกดูลมไปได้จะหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ตาม จนจิตสงบแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่ก็สงใช้ในแนวของการทำใจสงบซึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐา น, ฐานในขณะเดียวกันก็ใช้ในแนวของวิปัสสนาโดยมองเห็นว่าลมหายใจออกหายใจเข้าออกนั้นแท้จริงคืออาการเกิดดับของรูปประคันส่วนหนึ่งของรูปประคันหรือตัวรูปประขันส่วนหนึ่ง ก็อาศาัยการมองลมหายใจเข้าออกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงแรงปรปรวนไปแล้วก็ดึงเข้ามหารูปประคัณของตอนเองรูปประคัณจากภายนอกจะมีชีวิตไม่มีชีวิตก็ตามในสุขก็จะมองเห็นว่ามันเหมือนกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันไอ้ใจที่เคยกำหนัดขัดเคืองในบุคคลในสัตว์ในสิ่งของต่างๆก็จะผ่อนคลายบรรเทาลงไป เพราะอะไรเพระาะว่าในแง่การปฏิบัติถ้าจิตมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะมองเห็นการสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ในชั้นการปฏิบัติเบื้องสูงในโปรดจะลืมวาเบื้องสูงขึ้นไปท่านแบ่งการสแสวงหาออกเป็นสองขั้นในชั้นละเอียดนะเรียกว่า อรยเปรเยสนาการสแสวงหาอย่างประเสริฐหรือของผู้ประเสริฐจะต้องเป็นการสแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งก็หมายความว่าสิ่งนั้นได้แก่การภาวะที่ไม่ต้องเกิดอีกซึ่งพระพุทธเจ้าและพระหรัต์ทั้งหลายท่านแสวงหาจนพบพระองค์เจ้าเองเมื่อสแสวงหาเสร็จแล้วก็เกิดพยานรู้ว่าการเกิดของพระองค์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าพระองค์เคยเกิดมาเป็นอันมากแต่ประชาที่ทรงรู้เห็นนั้นจะเป็นชาติสุดท้ายพบอันเป็นที่อุบัติไม่ว่าจะประณีตมีรูปรักษณ์ยังไงก็ตามไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้าและระหาหันทั้งหลายทั้งนี้เป็นเพราะอะไรพระถ้าพบก็ต้องเป็นชาชาติก็ต้องเป็นชรามรณะเป็นต้นก็เข้ากระบวนการแห่งทุกข์ต่อไป นี่จะแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญอาันพิเศษของพระพุทธเจา้าไอ้ลมหายใจซึ่งถึงเป็นตัวกายสังขารจริงมันก็มีมาตั้งแต่ไหนกันไรแต่คนก็เพียงพยายามทําความทําการหายใจว่าฉะนั้นไม่ได้คิดจะหาประโยชน์ให้ลึกลงไปกว่า น, นั้นพระเจ้าทรงสอนลึกลงไปและไอ้ตัวลมหายใจนี่เองพอลมหายใจดับ mm. ก็ใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้อีกอย่างนึ่ง จากที่ทรงสอนให้พิจารณาถึงร่างกายที่ลมที่ลมหายใจยังไม่ดับก็บพิจารณาเช่น น, นึ่งตามจานวนที่เราพูดว่าบังสกุลเป็นบางสกุลเป็นที่จริงก็เป็นการเรียนรู้ความจริงแห่งชีวิตถึงสภาวะที่แท้จริงในแต่ละชาติว่าเป็นอย่างนี้ที่ต้นใา้คำว่าอจิรังวตยังกายโยกายนี้ไม่นานหรอก ปัจปิภณติเศสสติจากล้มลงเหนือแผ่นดินสุดโดเบตวิญญาโนเมื่อวิญญาณออกไปจากร่างแล้วในรัฐทางวัคติรรังคเหมือนกับท่อนไม้ที่หาสาระอะไรไม่ได้แต่จริงท่อนไม้ยังพอมีสาระมีทำอะไรได้แต่าร่างกายนั้นไม่มีสาระไม่มีสามารถทำอะไรได้กระดูกสัตว์อื่นเพื่อนเอาไปทำอย่างอื่นได้พอเอากระดูกคนไปทำไม่ได้แม้แต่ผมคนเป็นต้นก็มีลักษณะอย่างนั้น เราไปทอย่างอื่ไม่ได้คนเขาไม่กล้าเขาขยะขยังเขหวาดรัวแม้เมื่อก่อนจะรักใคร่พอใจยินดีเป็นสามีปัญญาการเพื่อนฝูงกันอย่าไมิสนิทกันแต่พอผ่ยายหนึ่งแตกสลายไปแล้วผ่ายหนึ่งก็กลัวแลละนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีสาระพอเราหายใจขาดก็ทรงสอนอีกสอนให้มองพิจารณาถึงความจริงที่เราใช้เป็นคาถาบังสกุล แล้วพอดีพระท่านก็พูดเป็นภาษาบาลีเรียกว่าท่องเป็นภาษาบาลีไม่จะพูดเป็นภาษาบาลีโดยความหมายแล้วนะั้นคือการเรียนรู้ของสัตว์สังขารในแง่ที่เป็นความจริงในส่วนที่จะย่อยออกไปในโอกาสต่อไปปานิจาวตสังขารสังขารทั้งหๆนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนอุปนิยัติธรรมิโนเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความเสื่อมสลายไป พอเกิดขึ้นก็เข้าสู่ความเสื่อมทันทีได้คล้ยคายๆกับอะไรคล้ยคายๆกับปรุงอาหารพอเอาเครื่องปรุงใส่เข้าไปมันก็เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงทันทีพอตากออกมาร้อนๆก็เริ่มเข้าสู่ความเย็นทันทีบ า, นบางคนจึงต้องเรียบๆกินๆว่ารีบกินกินกับมังร้อนดีเอต่อไปมันจะเย็นนั่นคือสังขารคือสังขารที่สอดอมไม่ได้แม้ในจานของอาหาร แล้นี่มันจะเข้าสู่ความเสื่อมมันจะมันจะเย็นเย็นแล้วมันจะบูดบูดจะเสียเสียจะต้องทิ้งเพราะมันต้องรีบกินกินเอาไว้บางอย่างเช่นพวกไอศครีมพวกเนี้ยก็เห็นได้ชัดว่ามันจะเริ่มถูกความเสื่อมพอตากออกมาก็รีบกินแต่งานแก่จะเสื่อมนี่ก็คือสังขารสังขารที่เป็นครูในการเรียนรู้ความจริงของชีวิตใา c h a p t นี้ก็สอนสอนว่าเต๋าสังโวประสะโมสโสดุก จิตเข้าไปสงบระ ง, งับในสังขารทั้งหลายเราได้ก็เป็นความสุขในชั้นนั้นๆทั้งการเรียนรู้เรื่องนามรูป ข, ของบัณฑิตนั้นสามารถที่จะหาประโยชน์เพื่อลดกิเลสจากสรรพสิ่งรอบตัวและจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวนี้เบัณฑิตจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญที่สามารถหาประโยชน์อันเป็นการเกื้อกูลต่อตนเอง และแก่บุคคลอื่นได้ในชั้นนั้นๆในที่สุขสถานในการทุกเมือ่อต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป